บางคราวพระศาสดาตรัดเปรียบโลกยุขเสมือนน้ำพึ่งซึ่งชาปลายอยู่ที่ปลายสตราแหลงคมผู้ลิ้มเลียโดยไม่ระวังย่อมถูกคมสตราบาดปากบาดลิ้นอย่างแน่นอนมันเป็นภาวะที่น่าหวานเสียวน่าสะพึงกลัวไม่ใช่หรือความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันความทุกข์กายทุกใจความคับแคนใจ ความต้องพัดพลาดจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งและบุคคลอันไม่เป็นที่รักความไม่ได้อย่างใจหวังเหล่านี้มีประจําอยู่ในมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่ใช่โทษแห่งความติดพันในโลกยสสขดอกหรือมันไม่ใช่ภัยในสังสารวัฏดอกหรือแต่ในนิพพานไม่มีโทษเหล่านี้ไม่มีภัยเหล่านี้นิพพานเป็นโลกุตระสุข สุขที่อยู่เหนือโลกไม่เกี่ยวกับโลกเป็นความสุขที่กเกษมปลอดภัยสงบเยือกเย็นชื่นฉ่ำเกินเปรียบบัดนี้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ถึงแล้วซึ่งสุขนี้ท่านรู้สึกเสมือนว่าได้ถอนตนขึ้นจากลมเลนเสมือนกับว่าได้ก้าวขึ้นจากกองฐานเพลิงเสมือนกับว่าเคยหลงป่าอันเต็มไปด้วยอันตราย แล้วออกจากป่าได้ดำรงอยู่ในแดนที่ปลอดภัยเชื่อแล้วที่พระบรมาศาสดาตรัสว่าพระนิพพานคือการกำจัดกิเลสใีได้นั้นเป็นบรมสุขแอบคู่อันธารุณของวัฏฐะซึ่งครอบใจของสรรพสัตว์และครูสีให้ชอกช้ำระบมเสมือนแอกคู่บนคอโคตัวที่เดินเวียนอยู่ในทุ่งกว้างบัดนี้ได้ถูกปลดออกแล้ว อะไรเล่าคือแอคู่นั้นมันคือความเป็นคู่แห่งโลกยธรรมซึ่งครอบงำจิตใจของโลกเยชนอยู่เช่นมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมินทาสรนเสริญสุขและทุกข์ความสมหวังความผิดหวังเป็นต้นตราบใดที่บุคคลยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความเป็นคู่แห่งโลกยศธรรมนี้ตราบนั้น ดวงจิตของเขาจะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่ได้ดวงจิตของเขาจะไม่ได้รับอิสระเสรีเขาจะต้องมีดวงใจที่ชอกช้ำระบมเดินวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรายใต้การคลุดสีของโลเกียรธรรมเข็เช่นโคคู่เดินวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างพร้อมกับการคล่ดสีของแอกบนคอโคที่รับการปลดแอกแล้วย่อมมีเสรีภาพ เบาสบายท่องเที่ยวไปในที่ที่โคจรได้ตามใจปรารถนาฉันใดบุคคลผู้ปลดแอกคือโลกเยื่ธรรมนี้ออกจากใจของตนได้แล้วก็ฉันนั้นย่อมได้พบเสรีภาพทางจิตอันหาขอบเขตมิได้มีความสงบสุขอย่างล้ำลึกแจ่มใสเบิกบานสุดประมาณแม่ร่างกายจะยังอยู่ในโลกแต่ใจของเขาอยู่เหนือโลก เป็นโลกุตระจิตคือจิตที่ถอนออกจากอารมณ์ของโลกได้แล้วสงบนิ่งไม่ขึ้นลงอันโลกิยารมณจะทําให้วันไหวไม่ได้เสมือนสิงโตราชาแห่งสัตว์ไม่ได้สะดุ้งวันไหวด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพลยท่านไม่ติดในลาบยศนินทาและสรรเสริญเสมือนลมไม่ติดตาขายใบและดอกของพุทธุมชาตไม่ติดน้ำํดำดารงตนอยู่ในโลก อย่างอิสระเสียรยีอย่างแท้จริงอันอะไรอะไรครอบงำมิได้ช่างนาปราธนาอะไรเช่นนั้นอรหัตตะผลยอดแห่งคุณธรรมของเทวดาและมนุษย์ตอนบ่ายวันที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตะผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์นาเวลวันมหาวิหารทรงประธานตำแหน่งอ克รส า, าวกแก่ท่านทั้งสอง คือให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครส า, าวกฝ่ายขวาพระโมคขลานะเป็นอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์คือพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญมีเนยะดังนี้ 1. ความอดทนอันเป็นตะบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรม ผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรเป็นบรรพชิตหรือสมณะ 2. การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการสร้างขุศลให้พลังพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 3. การไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าใครๆ การสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบพินัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สงัดการประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรทางจิตทั้ง6ประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูก่อนพระราดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจจารมเท่านั้น แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคําด่าว่าเสียสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่ว่าผู้ที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นลาบยศและเสียงสรรเสริญได้ คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านั้นยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะว่าทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าก็มีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันก็จะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลินใจ ยั่วยุนใจได้ทําให้มนุษย์ผู้ลหลงไหลเสียผู้เสียคนมามากต่อมากแล้วพระอดกลั้นได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาได้กระทบกระทั่งกับอนิจฐารมณ์อย่างจังเหมือนประเชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างเช่น ผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงจะได้รู้จักธรรมบรรดาสิ่งที่ยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับว่าเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ใครมีแล้วมักจะลหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจากสุกมืดมวลลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบ แล้วประกอบคำหนักด้วย อ, อำนาจที่มีอยู่นั้นจนต้องประสบชะตากรรมมีวิบลาภันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้ตัวแต่ก็มักจะสายเสียแล้วเรื่องทานองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เดืองๆอำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติขาขันติดังกล่าวมา ความงามของสตรีเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจสําหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ตกอยู่ในอานาจแห่งความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยากและคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มาแล้วมากต่อมากดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจ์ความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรต เป็นตะบะของผู้ต้องการบเพ็ญตะบะแม้นักพ์ผู้เริงแรงด้วยตะบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักเช่นเดียวกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพ์ก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีดูก่อนพระราดาในตอนที่สามแห่งพระโอวาทปาติโมกนั้น ดูเหมือนพระบรมศาสดาจะทรงมุ่งแสดงคุณสมบัติของผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ก้าวร้าวไม่เบียดเบียนมีระเบียบวินัยดีไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแสวงหาความสงบและทำความเพียรทางจิตคือสมถะและวิปัสสนาอยู่เสมอไม่ทอดทุระในอธิ จ, จิตตักิขาคุณสมบัติทังกล่าวมาผู้เผยแผ่ศาสนาควรคา น, งนึงอยู่เป็นนิด และควรบังเพนให้เกิดขึ้นในตนอันหนึ่งผู้ที่มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไม่ควรคิดแต่จะเผยแพร่ศาสนาหรือหลักธรรมให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่วควรเผยแพร่ศาสนาให้แก่ตนเองด้วยคือไม่ควรมุ่งแต่สอนผู้อื่นเท่านั้นแต่ควรสอนตนเองให้ได้ด้วยว่าจาที่พูดออกมาจึงจะไม่เป็นที่เยืนยันของใครๆสิ่งที่สอนมีลักษณะที่เรียกว่า บานออกมาจากข้างในคือมีความจริงใจใจมีความรู้สึกอย่างที่พูดนั้นจริงๆมีนักเผยแผ่ศาสนาอยู่ไม่น้อยที่สนใจฝึกฝนแต่วาตสินตลอดกิริยาท่าทางที่พูดความหนักเบาของน้ำเสียงแต่การอบรมตนให้มีคุณธรรมถึงสูงขึ้นไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงนั้นพวกเขามักจะละเลยเสียอันที่จริง การทำได้อย่างที่สอนนั่นแหละคือยอดแห่งพุทธวิธีในการสอนบางทีไม่ต้องพูดเตสซ้าไปหรือพูดน้อยแต่ได้ผลมากในพุทธการมีพระเทระรูปหนึ่งใครๆก็เรียกท่านว่าเอกอุทานแปลว่าเทศสอนอยู่เรื่องเดียวท่านประจําอยู่ในป่าท่านเทศทีไรมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็สาธุ ก, การกันสนั น, ว, นวันไหว ต่อมามีพระธรรมกถถึกกูมีชื่อเสียงมากเรียนมา ก, กรู้มากมีสิทธิ์มากไปพำนักนักสำนักของพระเอกอุทานเถระถึงวันอุโบสถท่านนิมนต์ให้พระธรรมกถถึกนั้นทเทศสอนพระธรรมกถถึกเทศนาอย่างวิจิตพิสดารพอจบลงไม่มีใครสักคนเดียวที่สาธุการเงียบกันไปหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนี้ก็เพราะว่า เพราะท ร, รมากระเถิดนั้นพูดได้อย่างเดียวส่วนพระเอกอุทานท่านทําได้อย่างที่ท่านพูดเรียกว่าบานออกมาจากข้างในให้รู้สึกทราบซึ้งกินใจผู้ฟังนี่นะพูดน้อยแต่ได้ผลมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ตนทําไม่ได้แล้วให้เลิกพูดเลิกสอนสิ่งนั้นเสียควรพูดและควรสอนอยู่นั่นเองเป็นคำนองว่า นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมาบอกเล่าเปิดเผยให้รู้กันท่านที่มีอุปนิสัยดีมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อฟังแล้วอาจทำได้อย่างพระอริยเจ้านั้นตัวอย่างเคยมีมาแล้วพระกลุ่มหนึ่งประมาณห0สิบรูปเรียนกรรมฐานในสานักของพระาศาสดาแล้วเดินทางเข้าไปในป่ามาเพเพียนอยู่ได้อุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นอุปธรรมพิกาถวายอาหารได้บอกกรรมฐานคือกายกตาสติภาวนาพิจารณากายซึ่งมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอาทิตย์ให้เห็นว่าไม่งามโสโครกอุบาสิกาเรียนกรรมฐานแล้วไปพิจารณาได้สำเร็จนาคาพิผลเป็นพระนาคามีอริบุคคลชั้นที่สามในขณะที่ภิกษุผู้บอกกรรมฐาน ยังไม่ได้สําเร็จอะไรเลยครั้งนั้นเมื่อพระศาสดาทรงประธานตําแหน่งอัครส า, าวกแก่ท่านทั้งสองแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติดเตียนพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงประธานตําแหน่งโดยเห็นแก่น้ามุขโขโลกนะไม่เป็นธรรมความจริงแล้วควรประธานตําแหน่งอัครส า, าวกแก่พระอัญญาคว ร, รัญญากับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีย์ เพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อนถ้าไม่ประทานแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ควรประทานแก่ภิกษุกลุ่มห้าห้ารูปมีพระชัตสาเป็นประมุขหรือมิฉนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทธวคคีย์ผู้สมเร็จมรรคผลนา่าไร้ฝ่ายถ้าไม่ประธานแก่พัทธวคคีย์ก็ควรประทานแก่ภิกษุบุราณชดินสามพี่น้องมีท่านอุรุเวลกัสปะเป็นต้น แต่พระศาสดาทรงหากระทาอย่างนั้นไม่ทรงเห็นแก่หน้าระทานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระโมกอลานะผู้บวชใหม่เพียงไม่ถึงเดือนพระราดาภิกษุผู้ติเตียนไม่รู้ความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่านั้นมีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นไม่รู้มโนปฏิทฐานของแต่ละท่านว่าได้บาเพ็ญบรารมีมาอย่างไร ประสงค์สิ่งใดสูงสุดในชีวิตของตน พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องที่พิสุทั้งหลายตำหนิติเตียนพระองค์เช่นนั้นจึงตรัสว่าพิษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพื่อเห็นแก่หน้าใหม่แต่เราได้ให้ตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วเขาได้รับตำแหน่งที่เขาเคยทำบุญมาแล้วปรารถนาไว้นั่นเองพิษุทังหลายในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปรสี นับถอยหลังจากนี้ไปเก้าสบอดกับโกนธั ญ, ญะเกิดเป็นกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อจุลการได้ปลูกไร่ข้าวสาลีไว้มากวันหนึ่งได้ฉีกข้าวสาลีที่กําลังท้องต้นหนึ่งและชิมดูรู้สึกรสอร่อยจึงขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันฉีกลวงข้าวสาลีที่กําลังท้องนั้นให้เคี่ยวโดวยน้ํานมจนข้นแล้วก็ปรุงด้วยเนยใสน้ําผึ้งและน้ำตาลตรวด แล้วถวายทานแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าวิปัสสินั้นเป็นประมุกแล้วตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่นในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าเข้าเมาได้ถวายทานอะเลิศโดยเข่าเมาหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤดูการเก็บเกี่ยวยิ่งเขาทบุญมาก ทรัพสมบัติของเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เทกสุทั้งหลายทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้เป็นอานิสงส์แห่งการประพฤติ ธ, ธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันหนึ่งผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกติไม่ตกตา่า แม้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตราเขาถวายมหาทานเจ็ดปันและหมอบลงแทบพระยุคนบาทของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรุรรมอันเลิศก่อนผู้อื่นที่ฝูทั้งหลายอัญญาโกณทัญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วนับบัด น, นี้พระราดาพระธาคุตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่า ทำนั่นแหละย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรทำทำนำความสุขมาให้แต่สาสนิกจำนวนไม่น้อยไม่ไว้ใจทำคลางแคลงสงสัยในธรรมว่าจะให้ความสุขจริงหรือประพฤติแล้วได้อะไรความจริงเมื่อเขาประพฤติทมก็ได้ทำนั่นเองเมื่อได้ทำแล้วการได้อย่างอื่นก็ตามมาทำนั่นแหละ เป็นผู้อำนวยสิ่งต่างๆให้ถ้าเขาเสื่อมจากทำก็เสื่อมหมดทุกอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดแล้วชื่อว่าได้ประพฤติธรรมแต่ต้องทำหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมนั่นแหละจะอำนวยลาบยศสรรเสริญและสุขสวัสดีให้แก่เขาทั้งโลกนี้และโลกหน้ามนุษย์เรามีหน้าที่หลายอย่าง คนที่ดีที่สุดก็ค <iałem S 1> ือ er. er eh. คนที่ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดพบท้วนที่สุดและถูกต้องที่สุดผู้ปกครองหรือผู้นำมวลชนจะต้องปกครองโดยธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมพิสุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดนั้น พระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่ารำอย่างไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดนั้นดูก่อนภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรมเคารพธรรมย่ำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดําเนินกิจกรรมต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุ แม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกลงธรรมมีธรรมเป็นทงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพ่อกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรม ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมให้ทําเป็นผู้นําทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระชอมมนีตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้ช่างทรรมเป็นผู้เสื่อมพระราดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมไม่ใช่เพื่อเอาใจคณทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งแต่ธรรมมีใจเดียวคือมีความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาทิปไตเป็นทางดำเนินชีวิต บ่ในมอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมแล้วก็ไม่ต้องวิตกทุกร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาบยศสันเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เล่าร้อนเหมือนลาบยศสันเสริญสุขที่ได้มาโดยอาธรรม อะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของบุคคลผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ธรรมอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่า นั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนเหล่าท่านผู้สแสวงสัจจคนยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมากก็ยิ่งมีความกลัวมากไม่มีอะไรจะกลัวเฉพาะหน้าก็กลัวอนาคตกลัวทจะจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้ แม้บัณฑิต จ, จะบอกทำพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวมันเองก็ตามเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพะ อ, อนาคตที่เขาหวังไวมาถึงเข้าจริงเขาก็คงหาความสงบสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียจแล้วเขาคงแบกก้อนหินแห่งชีวิต คือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่พวกเขาสําคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไป สัจจะความจริงอันน่าพิสวงมีอยู่ว่าความสมงบเงยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตราธิราชหรือมหาจากักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วฉไนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อสแสวงหาความสมงบเย็นให้แก่ดวงจิต เมื่อพระองค์ประสบความสําเร็จในฐานนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นําโลกที่แท้จริงคือผู้นําทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอมารรํานาจราชศักดิ์แต่ประการใดไม่พระราดาข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่าคนจํานวนไม่น้อย แบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฟ้ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพราดาสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาค พ, พื้นแล้วตามลงมากลิ้งกลิ้งขึ้นไปอีกแล้วก็ปล่อยลงมาเขากลิ้งขึ้นยอดเขาอย่างนี้วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่าท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหินโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าจะต้องเข็นทําไมบุคคลสมมติดังกล่าวนั้นฉันใดคนส่วนมากในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ่งขึ้นไป ถูกความทยานอยากของตนผลักดันให้กลิ้งขึ้นไปด้วยเข้อใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กลิ้งหินกระทบกันแย่งทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเปลี่ยนค่าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเ่อถึงยอดเขาแล้วก็รู้ได้ว่ามันเหนื่อยไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเขารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่า ท่านผู้สแสวงสัจจะมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรมคือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันคุ้มเหนื่อยก็เพราะความเข่าของมนุษย์ตนเองแม้มนุษย์จะพอฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่ว่ามนุษย์ยังเข่าต่อเรื่องราวแห่งชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึง ส่วนใหญ่ยังถือเอาการกินละเกียดเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาตนให้ขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตจะได้ บุพกรรมของสหายห้าสิบห้าคนมีพระยาศาเป็นต้นพระตถาคตเจ้าตรัสว่าบุคคลห้าสิบห้าคนมีพยระยาศาเป็นประมุกนั้นได้ปราถนาอารหัตตคุณในสํานักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชวนกันทําบุญเป็นอันมากต่อมาในช่วงหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสหายกันเที่ยวจัดแจงศพอนาถาวันหนึ่ง พวกเขาพบศพหญิงคนหนึ่งตายทั้งกลมจึงนำไปป่าชาให้ห้าคนทำหน้าที่เผาอีกห้าสิบคนเทียบตรวจดูศพไม่มีญาติรายอื่นนายสะเป็นหัวหน้าได้เอาเหลาเหล็กแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาขณะที่กำลังเผาอยู่นั่นเองได้อาสุภาสัญญาคือความสมพันธ์หมายว่าไม่งาม เขาชี้ให้สหายอีกสี่คนดูว่าจงดูศพนี้หนังหลอกออกแล้วตรงนั้นบางตรงนี้บางมันรูปโคดงังไม่สะอาดเหม็นพึงกระเกีย